ซึ่งทำให้ผู้ที่จะสอนทราบถึงความเป็นไปของผู้นั้นอย่างละเอียดในกรณีอย่างนี้ก็สามารถให้คำแนะนำที่ทำให้เกิดศรัทธาได้และผู้นั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคาแนะนาได้ตัวอย่างเช่นนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีวิธีการสอบประวัตินั้นย่อมจะมีแบบของมันโดยเฉพาะ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 ทศพลยานหรือทัศาพลายานทัศแปลว่าสิบทษ ะ, ะพลายานหรือทศพลายานคือยานที่เป็นกำลังในการสั่งสอนสิบอย่างเช่นยานข้อที่หนึ่งเรียกว่าฐานาฐานญยานแปลว่ายานที่รู้ถึงฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และอัฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อนี้หมายความว่า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 การที่พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็เพราะพระองค์สามารถที่จะหาความรู้ได้ทุกอย่างจากจิตใจของพระองค์เองคำว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะตามสั์แปลว่ารู้แจ้งจากตัวเองหรือที่ตัวเองหรือด้วยตัวเองและโดยไม่ผิดคือคำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบคือโดยไม่ผิด